ทุกที่เป็นพื้นฐานตามสภาวะของชีวิตก็พูดรวบรัดด้วยคำว่าชรามรณะหรือแก่และตายหรือเสื่อมโทมและแตกสลายแล้วจากทุกตามสภาวะนี้ก็ตามมาด้วยทุก์ที่เป็นความรู้สึกต่างๆเช่นความโศกเศร้าความคับแค้นความเสียใจความเพี้ย ร, รําพันในเมื่อตามสภาวะ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 ทุกที่เป็นสภาวะติดเนื่องมากับความเป็นสังขารของชีวิตหรือทุกตามธรรมดาของธรรมชาติแทนที่จะถูกแก้ไขกลับถูกละเลยมองข้ามหรือปิดกลบไว้เสียแล้วสุขทุกขและปัญหาต่างๆชนิดที่เกิดจากฝีมือเสกสรรผันพิสดารของมนุษยก็เกิดประดังพรั่งพลูวิจิตนานประการจนแทบจะบทบังให้มนุษย์ลืมปัญหาพื้นฐานของชีวิตเสียทีเดียวบางคราว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 ปัญหาหรือทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกลายเป็นวงจรและเป็นวงจรที่ยิ่งหนายิ่งเข้มข้นยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกทีเรียกโดยภาพพจน์ว่าเป็นวังวนแห่งปัญหาและการเวียนว่ายอยู่ในทุกสภาพเช่นนี้คือความเป็นไปแห่งกระบวนธรรมแบบสังสารวัตหรือวังวนแห่งการเวียนว่ายอยู่ในทุกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุบาท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 ที่จะก่อปัญหาใหม่ที่จะขยายปัญหาเก่าแล้วปัญญาที่เขามีเป็นพื้นฐานนั้นก็จะพัฒนาขึ้นไปมาปลดปล่อยจิตใจของเขาให้เป็นอิสระแม้แต่จากทุกข์ที่เป็นสภาวะพื้นฐานของชีวิตด้วยโดยที่ว่าทุกข์ที่มีเป็นสภาวะตามธรรมดาของมันในธรรมชาติก็เป็นเพียงทุกข์ของธรรมชาติตามธรรมดาของมันไปไม่มีผลที่จะก่อปัญหาทาให้เกิดทุกข์ขึ้นในจิตใจของเขา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 เมื่อสามารถตัดทอนกําลังของกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระและเสริมกําลังกระบวนธรรมตามแนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระได้มากขึ้นเท่าใดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหินห่างจากทุกข์และมีชีวิตที่ดีงามได้มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นยังจะทําให้สามารถเสวยสุขแบบเสรโลกได้อย่างรู้เท่าทันไม่สยบไม่ตกเป็นทาส